เทโหมดที่สี่บัญญายโดยพระอาจารย์หาเพราติตาสีโลเป็นสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายศึกต่อไปวันนี้จะพูดในหัวข้อว่า นิพพานสองโดยบรรยายคือหนึ่งสัปาทิเสสนิพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือสองอนุปาทิเสสนิพานดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือคำว่านิพพานแปลว่าความดับคือดับ กิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงเป็นอกุปปาธรรมคือไม่กลับกำเนิบขึ้นใดอีกหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานแปลว่าธรรมชาติที่หาเครื่องเสียดแทงไม่ได้หาเครื่องเสียดแทงไม่ได้ก็หมายถึงว่าไม่มีกิเลสปัญหาเข้ามาเสียดแทงอีกแล้วในที่วันดับก็คือว่าดับความร้อนนั่นเอง นะดับความร้อนก็คือดับราคะโทสะโมหะเพราะว่าราคะโทสะโมหะนั้นเป็นของร้อนเป็นไฟภายในพระพุทธองค์ยินจัดว่าราคคิไฟคือราคะโทสคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะหอืมฉะนั้นอ พี่ว่านิพพานเป้าดับก็คือดับไฟสามกองนี่เองนะดับไฟสามกองถ้าหากว่าไฟสามกองยังไม่ดับแน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความเจ้าร้อนความกังวลกระวายอฉะนั้นเหมือนกับเราดับไฟฐานนะถ้าหากว่าเรายังไม่ดับไฟมันก็ยังลุกโชนอยู่นะก็อาจจะไหมอ่าอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนกันถ้าหากว่าเรายังไม่ดับกิเลตัณหา เราก็ยังต้องมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความกวนกวายนะอันนี้ก็เราเห็นกันชัดชัดอยู่ทีนี้ก็มาขยายต่อไปว่าที่บอกว่าการดับกองทุกข์ทั้งปวงที่ว่าเป็นอกุปธรรมคำว่าอากุปธรรมแปล ว, ว่าธรรมที่ไม่กำเลิกคือหมายถึงว่าไม่กลับเกิดขึ้นอีกคือดับโดยสิ้นเชิง ดับอย่างนี้ท่านแสดงลักษณะไว้สีอย่างคือเมื่อคนเราเมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความเจ็บปวดป่วยไข้แล้วก็ไม่ไม่มีความตายนะไม่มีความตายก็คือว่าเป็นที่ถึงความดับกิเลสแห่งกองทุกษ์นะ ฉะนั้นพระนิพพานานี้จึงเป็นยอดของสุขทั้งทั้งปวงนิพพานังประมังสุก ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังฝนยังนิพพานเป็นธรรมชาติศูนย์ฉะนั้นในนิพพานนี้ท่านแสดงโดยบรรยายไว้สองประเภทคือหนึ่งเซวาทิเสสนิพพานได้แก่พระเจ้าผู้อัลละ กิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงโดยที่พระอาหารหันตมัก์บรรลุซึ่งพระอาหารหัตตผลหมดพืชพันธ์อันจะผูกรัดให้อุบัติในภพต่อๆไปการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็ไม่ได้มีอีกแล้วแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่คือส่วนเบญจขันธ์ก็หมายถึงว่าขันธ์ห้ายังมีอยู่ นะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่แปกิเลสนั้นดับไปนะกิเลสนั้นดับไปมีขันธสันดานอันบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงรวมความว่าเซอปาทิเสสนิพานได้แก่กิเลสนิพานนะคือความดับกิเลสอันนี้ขอให้นกักเรียนนักศึกษาได้ทำความเข้าใจว่า เซวาทิเสสิปานที่ว่าดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือหมายถึงว่าไม่มีกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะกิเลสตัณหาไม่มีหมดไปนะหมดสิ้นด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนานะหมดไปแต่ว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่นะยังมีชีวิตเป็นอยู่แต่กิเลสไม่มีอยู่แล้วไม่เหลืออยู่แล้ว ไม่เหมือนนี่ครับพวกเราที่บอกว่ากิเลสมุดแล้วแต่ว่ายังเหลือจะตัณหานะอย่างนี้มันก็เป็นสัง ม, มวนพูดลเล่นๆกันนะว่ากิเลสมดแต่ว่าตัณหายังอยู่อมันยิ่งหนักใหญ่เพราะไอ้ตัวตัณหานี่ยทำตัวเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นอาสาอุปาทิเสสนิพานนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพานนะเรียกกิเลสนิพานก็คือดับกิเลสนั่นเองอนะดับกิเลส ประเภทที่สองอนุปาทิเสสนิพันธ์ก็คือดับกิเลสแล้วไม่มีเบญจขันธ์เหลือคือได้แก่พระ เ, เจ้าผู้ละกิเลสสาสวะกิเลสสาสวะได้โดยสิ้นเชิงด้วยพระอรหันตมัตรบรรลุซึ่งพระอหัตผลเป็นพระอรหันตผู้บริสุทธิ์ปราจากกิเลสแต่สิ้นชีพไปเสียแล้ว ไม่มีอะไรที่จน่วงเหนียวรัดยึงและไม่ถึงคติแห่งสังขารอีกการดับขันจึงเรียกว่านิพพานอีกรวมความว่าอนุปาีิเสสนิพพานยังมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าขันธ น, นิพพานคือดับกิเลสด้วยแล้วก็ขันห้าก็ดับไปด้วยพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็หมายถึงว่ากิเลกก็ไม่มี ตัวก็ตายไปด้วยนี่พูดอย่างภาษาชาวบ้านขันท่าก็หมายั้งว่าผูปเัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หมดไปด้วยอย่างนี้แหละเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพัน์ทีนี้ถ้าหากว่าจะมีาคำพูดสั้นๆว่าความพ้นจากกิเลสเป็นอกุปปธรรมนั้น โดยชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าโดยชื่อเรียกว่านิพานบ้างเพราะหากิเลสเครื่องเสียดแทงไม่ไม่มีนะหาเสียดแทงไม่ได้หรือบางทีก็เรียกว่าวิมุตตานุเตยะบ้างเพราะเป็นความพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงกิเลสทั้งปวงที่พ้นแล้วไม่สามารถจะกำรอบได้อีกเรียกว่าวิมุตติบ้าง เพราะความพ้นจากกิเลสโดยหานิมิตและที่ตั้งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนิพพานสองนะถ้าจะถามว่านิพพานสองเมื่อพิจารณาตามที่ท่านอธิบายไว้เข้าใจว่าเป็นเทศนาอะไรในเทศนาสองอันนี้เราก็ตอบได้ทันทีเลยว่า เป็นปุกลาทิฏฐานานีา่คือเรียกว่ามีบุคคลเป็นที่ตั้งนี่ทายาถามว่าถ้าเช่นนั้นนิพพานโดยธรรมอาธิถานได้แก่ทำอะไรหมายความว่าอย่างไรตอบได้เลยว่าส่วนสัุปาทิเสสนิพานได้แก่พระอรหัตผลอนุปาทิเสสนิพานได้แก่นิพพานธาตุที่เรียกว่าอมตะธรรมหรืออสังขตะธรรม หรืออสังคตธรรมหมายความว่าดับ ก, กิเลสไม่มีเหลือความออกจากกิเลสเครื่องคล่องและกิเลสเครื่องอันเป็นเครื่องเสียบแทงต่างๆมาลงได้ทายาทามต่อไปว่าถ้าจะเรียกนิพพานสองอย่างนั้นว่ากิเลสนิพพานอย่างหนึ่งขันธ์นิพพานอย่างหนึ่งจะได้ไหมถ้าได้นิพพานอย่างไหนได้แก่นิพพานอะไรอันนี้ก็ได้พูดไว้ในต้นแล้วว่า กิเลสนิพพานก็ได้แก αι, ส่สัพพะทิเสสนิพพานเพราะกิเลสนิพพานแปลว่าดับกิเลสแต่ยังเหลือเบญจขันธ์หรือเบญจขันธ์ยังเหลือซึ่งมีในเช่นเดียวกันกับสัพพะทิเสสนิพพานส่วนขันธนิพพานได้แก่อนุปาทิเสสนิพพานเพราะขันธนิพพานแปลว่าดับขันธ์ซึ่งหลังจากที่ท่านดับกิเลสแล้วก็มีในเช่นเดียว กันกับอนุปาทิเสสนิพานพูดให้สั้นที่สุดก็คือว่าเซลปาทิเสสนิพานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพานอนุปาทิเสสนิพานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธนิพานก็เป็นอันเข้าใจนะนะอย่างนี้เข้าใจง่ายนี่ก็พูดเป็นเพียงย่อๆแทนก็จะพูดในหัวข้อต่อไปเลยว่าหัวข้อต่อไปก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการบูชาสองอย่าง การบูชาสองอย่างคือหนึ่งอามิสก บ, บูชาบูชาด้วยอามิสสองปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมอันดับแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาเข้าใจคำว่าบูชาคำว่าบูชาอาบูชาได้แก่กิยาที่แสดงความเคารพนับถือ หมายความว่าเมื่อเราชนมารลึกนึกถึงอุปการะคุณของท่านผู้มีพระคุณที่มีแก่ตนและแสดงความเคารพนับถือต่อท่านมีการกราบไหว้โดยมารลึกนึกถึงพระคุณท่านบ้างบูชาด้วยให้สิ่งของบ้างด้วยปฏิบัติตามโอวาทคาสั่งสอนของท่านบ้างตัวอย่างเช่นพุทธศาสนิกชน บูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพนับถือหรือการแสดงความเคารพนับถือต่อบุคคลที่มีคุณความดีน่านับถือมาสามประเภทก็คือหนึ่งชาติวุฒิผู้เจริญโดยชาติมาผู้เจริญโดยชาติก็คือคนที่เกิดในตระกูลสงเช่นพระราชามาหากษัตย์เป็นต้น ข้อสองวัยวุฒิผู้เจริญโดยวัยผู้เจริญโดยวัยคือผู้ที่มีอายุมากนะมีอายุมากหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเป็นร้อยขึ้นไปนะผู้มีอายุมากเรียกว่าเจริญด้วยวัควยคุณาวุฒิผู้เจริญด้วยคุณอาผู้เจริญด้วยคุณนี้ คือผู้ที่มีคุณงามความดีอยู่ในสันดานอย่างนี้ก็เรียกว่าบูชาเรียกว่าบูชาให้เราสังเกตดูเราบอกว่าเราจะไปบูชาพร ะ, ะไปบูชาพ่อแม่ไปบูชาครูไปบูช า, าผู้มีพระคุณะฉะนั้น การบูชานี่เป็นกิยาการที่ศักการะเคารพนบนอกกราบไหว้ว่าบูชาเนี่ยเป็นกิยาการที่แสดงถึงความสักการะเคารพนบน อ, นอกกราบไหว้นั้นเขาแบ่งออกเป็นสองหนึ่งอามิตสบูชาหมายเอาการบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของต่างๆหรือปัจจัยสี่โดยข้าว ด้วยน้ำด้วยที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอภรรท์ท่าสบายอยู่ยารักษาโรคเหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นอามิตร <c oughs> แต่จริงๆแล้วคําว่าอามิตเนี่ยเขาแปลว่าเหยื่อนะ <c oughs> เขาแปลว่าเหยื่ออามิตรสั่งหรืออามิสั่งเนี่ยเขาแปลว่าเหยื่อ <c oughs> ใครใครรู้จักคําว่าเหยื่อนะ <c oughs> ไอ้คำว่าเหยื่อเนี่ยเหมือนกับเหยื่อที่เขาเขาตกปลาที่เขาเกี่ยวเบ็ดตกปลาพอปลาตัวไหนที่ประมาทเข้ามากินเหยื่อเขาเขาก็กระตกออกมาเลยก็ปลากระปลานั้นก็ติดเบ็ดนะติดเบ็ดถ้าหากว่าเบ็ดไม่มีเหยื่อปลาก็คงไม่มากิ น, นปลาคงไม่มาติด ปลาพอติดเด็ดแล้วเขาจะจุงไปทางไหนก็ได้ลากไปทางไหนก็ได้หรือบางครั้งเขาก็เปรียบกับอามนุษยว่ามัจฉาหลงเหยื่อก็คือปลาหลงเหยื่อคนเราเหมือนกันถ้าหลงเหยื่อติดเหยื่อน่ะพักจะมีทุกข์มากมีโทษมากไอ้คำว่าหลงเหยื่อติดเหยื่อก็คือว่าหลงเกี่ยวกับเรื่องปัจจสี่ ติดเรื่องอาหารติดที่อยู่อาศัยติดเสื้อผ้าพร้ท่านสบายที่มีคนนํามาให้ที่มีคนนาํามาบํารุงบําเรอให้การที่เราไปกินเหยื่อของเขาก็เท่ากับว่าไปติดเบ็ดของเขาเราจะต้องอยู่ใต้อันนักของเขาเนีต้องอยู่ใต้อันนักของเขาเขาจะจูงเราไปทางไหนก็ได้เขาจะพาเราไปทางไหนก็ได้ทําให้เราหมดอิสรภาพ แห่งจิตใจทำให้เราต้องตกอยู่ในอานัตของเขาทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีอิสระเราก็ตกเป็นทาสทางใจของเขาต้องทำอะไรตามอำเภอใจเขามันไม่มีความสุขไม่มีความสุขฉะนั้นยิ่งเรามาเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่ก็อย่าหลงเหยือ่อนายติดเหยือ่อ อย่าติปัจจัยสี่อย่าหลงปัจจัยสี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องยังชีวิตให้อยู่ไปวันวันหนึ่งเพื่อในการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมินในมันไม่จีังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงฉะนั้นเราจะต้องทำใจเป็นกลางนะทำใจเป็นกลาง วางใจให้สม่ำเสมออย่าไปหลงเหยือ่ออย่าไปติดเหยือ่อนีฉะนั้นเราก็จะต้องติดเด็ดก็คือตกเป็นทาสแห่งใจของเขาอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเขาจะบังคับบัญชาอย่างไรก็ได้ฉะนั้นขอให้เราต้องสังวรระวังข้อนี้ไวให้มากข้อนี้ไวให้มากเราคนที่เขาจึงเตือน บรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายว่าย่าหลมเหยื่อก็คือว่ายาหลมของขวัญของรางวัลที่คนอื่นเขาให้เพราะธรรมดาผู้หญิงนี่ชอบล่ารางวัลเพาว่างั้นนะว่าชอบล่ารางวัลได้รางวัลแล้วสึกภาคภูมิใจก็ยิมยิ้ ม, ย, ม, ย, มย่องแต่ไม่นานาน้องก็ต้องร้องไห้เเพราะเป็นหลมเหยื่อฉะนั้น คนนักปราดโบราณจึงไม่เรียบไปว่ามัสยายน้องเหยื่อก็มักจะมีทุกข์มีเดือดร้อนก็เหมือนกับสุภาพสตรีที่หลงติดเหยื่อที่เขามาเลี้ยงเขามาบำรุงบำเดอหรือเขามามอบให้ก็เขาก็หวังในตัวของเขาของผู้หญิงนั่นแหละฉะนั้นอามิศบูชาก็คือการบูชาด้วยเหยื่ออะไรเป็นเหยื่อปัดใจสีดอกไม้ทูบเทียนนี้ก็เป็นเหยื่อ ทำไมมันเหยอะยังไงเราสังเกตดูถ้าหากว่าเราไปที่วัดใดวัดนั้นจัดดอกไม้ที่โต๊ะบูชาสวยโต๊ะรับแขกสวยจัดอย่างมีระเบียบความรู้สึกของเราในมะันหน้ากราบหน้าไหว้หน้าเคารพหน้าสักการะหน้าบูชานี่เห็นไมดูแล้วมันมันเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดภะษาถะความเลื่อมใสอยากกราบอยากไหว้ แต่ถ้าเราไปที่ไหนรู้สึกว่ามันสก ป, กปรกปลบรุงรังไอ้เครื่องตั้งโต๊ะบูชามันก็ไม่มีไม่ครบเอากระป๋องมาบ้างเอาถ้วยแก้วมาบ้างเอากระถ่อมาทําเป็นกระถางทูบบ้างเห็นแล้วมันไม่น่ากราบไม่น่าไหว้ไม่น่าเกิดความเชื่อความเลื่อมใสนี่แค่ น, น, นี้แหละฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อฉะนั้น ที่วัดไหนเขามีการจัดดีเรียบร้อยสะอาดสะอา้านคนจึงหลั่งไหลไปที่นั้นเพราะมันเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างของกินของใช้ที่อยู่อาศัยถ้ามีถ้าจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอา้านใครก็อยากเข้าไปคบค้าสมาคมอยากเข้าไปพึ่งพาอาศัยอยากเข้าไปสนทนาธรรมฉะนั้น อามิสบูชาจึงเป็นการบูชาด้วยสิ่งของนะบูชาด้วยสิ่งของเป็นต้นว่าข้าวน้ำผ้าขวนท่างสบายดอกไม้ทูกเทียนและของหอมหรือเครื่องสักการะต่างๆอย่างที่พพุทธศาสนิกชนบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ หรือเหล่าสัตวิวิหาริกอันเตวาสิกพากันบูชาคุณของครูปชาอาจารย์และบุธิดาบูชาคุณของมันดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้หมายเอาว่าการบูชาแบบด้วยอามิร ท, ทั้งสิน้นรวมความว่าวการบูชาผู้ที่ตนนับถือด้วยอามิทสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอามิทจะบูชาอามิทจะบูชามันก็มีผลมาก มีผลมากอย่างน้อยก็เป็นเหตุจูงใจทําให้คนที่ไม่มีความเชื่อความเลือเ่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเกิดความเชื่อความเลื่อมใสผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็อยากให้ปฏิบัติธรรมหรือเป็นจริ่งจูงใจให้อยากปฏิบัติธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นและอามิสบูชาก็แน่นอนที่สุดก็ย่อมจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเหมือนกัน อแต่จะได้สมบัติสูงสุดไม่ได้ฉะนั้นใจได้สมบัติสูง ส, สุดนั้นจะต้องปฏิบัติบูชาคือในข้อที่สองปฏิบัติบูชาหมายเอาการบูชาด้วยการเชื่อฟังคําสั่งสอนไม่ล่วงละเมิดหรือหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมในไหนแล้วก็ปฏิบัติตามเสริมสมาธิปัญญา เต็ม อ, อกเต็มใจจะพึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้ที่ทรงคุณวุฒิหรือของนักปราชญ์เช่นพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธศาสนิกชนมีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์โดยด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นธรรมและเป็นยนันบูชาประเภทนี้จัดเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยม เพราะสามารถดำรงคำสั่งสอนนั้นนั้นให้ตั้งมั่นไปชั่วการนานสามารถที่จะให้ศ า, าสนาสถิตสถากรสืบต่อไปได้ชั่วการนานเป็นประโยชน์แก่เหล่าชนในภายหลังจึงอยู่การปฏิบัติเป็นมูลแห่งปฏิเวทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าตรัดแก่พระอนนาออะอนนท์ เมื่อจวนจะเสด็จดับขั น, นธภิพานว่าการปฏบิบัติบูชาเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งหลายการปฏิบัติบูชานี้เมื่อกล่าวอย่างต่ำก็ได้แก่บุธิดาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดามารดาจัดธิวิหาริกปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูประช า, าจารย์ก็จัดเข้าในปฏิบัติตีบูชาทีนี้ในสองอย่างนี้ อันไหนมีอรสิสงมากกว่ากันแน่นอนที่สุดปฏิบัติบูชามีอรสิสงมาก ม, มีอรสิสงมากมคือเมื่อพระพุทธองค์ได้ได้ตัดไว้แก่พระนอนเมื่ อ, อจวนจ ะ, สะเสด็จดับขันธารห้ผ่านว่า การบูชาด้วยอามิสบูชาแม้ว่าพุทธศาสนชนจะบูชาด้วยดอกไม้พวกเทียนเื่องเครื่องสักการะจะมากมายกายกองขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่ถ้าผู้ใดจะบูชาเราตถาคต ด, ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสังสอนผู้นั้นได้ชื่อว่าจาบูชาตถาคตอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ และก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำให้ศ า, าสนาตั้งมั่นคงถาวรสูตรต่อไปชั่วการนานอันนี้โดยความพิสดารก็มีอยู่ในเรื่องมหาปริพานสูตรนะในพานสูตรอันนี้ก็ให้นักเรียนสาค้นคว้าได้อันนี้แหละนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ทุกวันนี้รู้สึกว่าทั้งประชาชนคือญาติโยมก็ดีพระสงฆ์องค์เลนก็ดีรู้สึกว่าเรามาบูชากันด้วยอาวิทย์มากยางเหลือเฟื อ, อยางล้นหลามบางแห่งเราเข้าไปในวัดจะได้ปลิ่นพวกวันเทียนมากเหลือเกินมากเหลือเกินเข้าหูเข้าตาแสบไปหมด แต่จะหาคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมหายยากบูชาแล้วก็ที่จะอยู่นั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งปฏิบัติธรรมหายยากบางคนจุดธูกเพียนแล้วก็ยำขออ้อนวอนโ น, น่นขออ้อนวอนนี่อขอหวยใต้ดินบ้างขอถูกกัตตรี่บ้างนี่บูชาที่ไม่ถูกต้อง อ, อย่างนี้ไม่ใช่ว่าบูชาประพฤติธรรมประสงค์ไม่ช่ว่าไม่จัดว่าเป็นการบูชา บางแห่งก็แปลกไปบูชาเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้เอาลูกปืนไปบูชาว่าหลวงพ่อท่านชอบอย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามทํานองกลองธรรมนะไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องเราก็ดําเนินตามที่พระพุทธองค์ได้ตัดคือทั้งในส่วนพื้น อ, อฐานเรื่องต้นก็คืออาวิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของดอกไม้ทูบเทียนของหอม หรือข้าวน้ำาสั้อผ้าอาภรณ์ทนสบายอยู่ยารักษาโรคส่วนใครที่ปรารถนาให้สูงกว่านั้นก็ด้วยการปฏิบัติทําคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติตามคําอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ก็เรียกชื่อว่าจัดเข้าในปฏิบัติบูชาอีกเช่นกั น, นทีนี้ถ้าจะมีคําถามว่า อาอบิดเสบบูชาก็ดีปฏิบัติบูชาก็ดีทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสันเสริญการบูชาอย่างไหนว่ามีอนิสงฆ์มากเพราะเหตุไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องสันเสริญการปฏิบัติตบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตามชั่วมีอนิสงฆ์มาก ว่าพระพุทธาศาสนาจะดำรงอยู่ได้จะสถติสถาวรไปชั่วการนานก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามธรรมของบริษัททั้งสี่คือพิสุตพิสูตนยุบาศกบาสิากาแม้เมื่อพระองค์ใดใกล้จะแม้เมื่อพระองค์ใกล้จะประด็จดับขันธบริภานก็ได้จัดแก่พระนอนว่าณโข อ, อานันโท เอตาวตาเป็นอาธิวันดูก่อนอานนท์ณโนะขอานันทะเอตาวตาวันดูก่อนอานนท์พระเจาคตเจ้าไม่เป็นอันบริสัทธ์สการะนอกน้อมนับถือบูชาคำนับด้วยสกการะพิเศษเพียงเท่านี้โยโขอานันทะเป็นอาทิดูก่อนอานนท์ พิสุพิสุนีบาศกบรศิกาผู้ใดแลมาเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมอันสมควรแก่ทมปฏิบัติชอบยิ่งแต่พฤ่งปฏิบัติทมไปตามสมควรแก่โลกุตระรมำใจโสพระกวันตังสักการโรติผู้นั้นมาสักการะเคารพนับถือพระธาโคตเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่ง พทษง่ายๆให้สั้นๆที่สุดว่าการบูชาด้วยดอกไม้สิ่งของทูบเทียนหรือเสืออ้อผ้าพร้อมทำสบายนั้นแม้จะมากมายอย่างไรก็ไม่จัดว่าเป็นการบูชาบูชาตถาคตอย่างแท้จริงแต่ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมประพฤติตามธรรมคำสังสอนของพระ อ, องค์นั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติจริงนะปฏิบัติจริงทีนี้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในบูชาทั้งสองย่อมได้รับผลหรือ อ, อนิสง์การปฏิบัติ ต, ต่างกันอย่างไร ผู้ประพฤตปฏิบัติในอามิสบูชาย่อไมได้รับผลคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณท่านเป็นผู้อันผู้อื่นปรงสรรเสริญยกย่องนับถือการบูชาท่านด้วยอามิสในผู้มีบุญคุณเช่นนี้ย่อมเป็นเครื่องเชี่อเห็นว่าเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนเคารพด้วยน้ำใสใจจริงเช่นบุตรทีดาบูชามารดาบิดาด้วยอามิส ก็ย่อมเป็นเครื่องแสดงใหเห็นว่าเป็นผู้มีจิตกตันยูกตะเวทีต่อมารดาบิดาของตนมีผลคือย่อมได้รับความสุขสันเสริญทั้งในปัจจุบันและในภพวุ่งหน้าส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติในปฏิบัติบูชาย่อมมีผลอย่างใหญ่หลวงเพราะการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านเป็นการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือประโยชน์ส่วนรวมให้เจริญรุ่งเรือง อันการดำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของผู้เป็นใหญ่นั้นเป็นการสืบต่ออายุแห่งคำสั่งสอนโดยแท้คนก็คือได้รับความสุขปราจะจากทุกทั้งปวงจนกระทั่งถึงที่สุดก็คือได้มรรคผลนิพพานได้เอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิพพานสองก็ดีบูคาสองก็ดี พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่าปฏิสันฐานละสองคือหนึ่งอมิตรปฏิสันฐานปฏิสันฐานด้วยอามิตรสองธรรมปฏิสันฐาน ปฏิสันฐานโดยธรรมเราการแรกขอให้ท่านทั้งหลายให้ทําความเข้าใจกับคาว่าปฏิสันฐานหรือว่าปฏิสันถาระคำว่าปฏิสันฐานแปลว่าการต้อนรับปราศัยหรือความเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้ อ, อผวแพ่ไม่ทอดทุละเป็นหน้าที่ของเจ้าของถิ่น ที่จะพุงจะทาแก่แขกผู้มาหาทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นกิจสำคัญทั้งทางธรรมและทางวินยัยทางธรรมนั้นจะเห็นได้จากคำว่าปฏิสันฐานปติสันฐานคารวตาัตซึ่งแปลความว่าเป็นผู้เข้าในปฏิสันฐานและในทางพระวินยัยท่านก็จัดเข้าในอาคันตุกะวัต เป็นหน้าที่ของพิสุผู้เป็นเจ้าของถิน่นจะพุ่งคำแก่พิสุผู้จรมา <c oughs> ฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าคำว่าปฏิสันฐานมันบ่งถึงอัธยาศัยนะเป็นการบงบอกถึงน้ำใจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับเนี่ยอันนี้สำคัญมาก <c oughs> ถ้าเราไปบ้านไหนวัดใด เขามีการต้อนรับดีโอบเอื้ออารีหัวแผ่ดีมีน้ำใจดีเรารู้สึกสบายใจเนี่ยสบายใจแล้วก็อยากไปแต่ถ้าเราไปบ้านใดอวัดใดถ้าไม่มีการโอบเอื้ออารีในต้อนรับขับสู้ทําให้เราอึดอัดใจเบือนะบ่อนะเบื่อไม่อยากไป แต่อันนี้มันก็มีทั้งผลดีผลเสียเหมือนกันคนบางคนเราต้องรับดีมาเรื่ยนะมาบ่อยมากันจนเบื่อมากันจนเอื้อมละอานะเรื้อมละอาย่อยจัดพอเห็นเราเอาข้าวเอาน้ําเอาขนมนมเนยมาให้พวกเลยถือโอกาสว่าโชคดีพอหิวขึ้นมาก็ไปอีกแล้วหิวขึ้นมาก็ไปอีกครั้ง มันบ่อยนักก็ไม่ไหวคนที่สุดก็เลยไม่ต้อนรับเก็บเข้าโต่ะนี่เพื่อนไปแล้วไม่เห็นได้กินก็เลยตัวนี่แต่จ่อย่างไรก็แล้วแต่คนโบราณเราถือนะคนไทยนี่ไอ้เรื่องต้อนรับนี่สาคัญนะแขกมาถึงเวียนชานแล้วจะต้องต้อนรับตาการแน่ต้องมีหมากฟูบุรีนีาจาักน้ำมานี่ นี่คือนั่นใจของคนไทยเสร็จแล้วก็เข้าครัวหงข้าวทำของขควของหวานเรียกทานอาหารขนมนมเลยนี่เพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิสันฐานเนี่ยมันฟ้องที่คนโบราณเขาบอกว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสิปกรกุนบางแห่งให้เราไปแล้วปรากฏว่า เจ้าของบ้านไม่เป็นใจต้นแล้วเราก็ไม่อยากอยู่นานอุดอัดใจแต่บางบ้านีนขยันขยอเราไม่กินก็จะให้กินเราไม่นอนก็จะให้นอนอย่างนี้ไม่เอาไปเอาอย่างโน้นมาอย่างโน้นไม่เอาก็พยายามสับเปลี่ยนแปลงพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างนี้ดูว่าเป็นคนมีอัธยาศัยไมยตรีที่ยอดเยี่ยมฉะนั้น เกี่ยวกับเรื่องปฏิสันถานนี้เขาจึงแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือหนึ่งอามิตรปฏิสันฐานได้แก่การต้อนรับแขกที่มาด้วยอามิตรสิ่งของคือสิ่งของเช่นน้ําร้อนมาพรูบุรีอาหารเครื่องกินเครื่องดื่มตลอดจนที่อยู่ที่พักโดยสมควรแก่ฐานะแขกผู้มาถึงถิ่นฐานของตนน่ะตามสมควร ไอ้ที่บอกว่าอามิตรปฏิสันฐานคือต้อนรับด้วยอามิตรก็คือต้อนรับด้วยเหยื่ออีกแล้วคืออาหารที่อยู่อาศัยภาคความท่านสบายของกินของใช้อย่างว่าแหละคือบางครั้งได้กินดีแล้วก็มาบ่อยนะตอนะะติดเหยื่อนะเพราติดเหยื่อทีนี้บางคนเนี่ยเขาต้อนรับดีเพื่อหวังผลอีกอย่างหนึ่ง พอติดเยื่อแล้วเขาก็ใช้ให้ทำอะไรก็ได้แต่บางคนเขาไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นอ่ mm. ไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่ที่ควรคิดให้มาก mm. ควรคิดใี้มาก mm. แล้วก็มาในประเภทที่สองธรรมปฏิสังฐานได้แก่การต้อนรับแขกด้วยการสนทนาปราศัย หรือเพียงวาจาที่เรียกว่าสัมโมธนียะกถาแต่บางแห่งท่านอธิบายว่าได้แก่การแสดงธรรมให้ฟังหรือแนะนำกันในทางธรรมเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่เป็นประโยชน์รู้จักเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมะปฏิสัฐานคือการต้อนรับด้วยการสนทนาธรรม สมควรแก่ฐานะของแขกผู้มาเยือนว่ามีฐานะเป็นอย่างไรสนใจทำมากน้อยอย่างไรก็ใช้ธรรมะให้เหมาะสมกันสนานาให้เหมาะสมกันถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ก็ควรจะมีการยกขึ้นกราบไหวุ้กขึ้นกราบไหว้เมื่อไม่ควรทําอย่างนั้นก็ควรทําความเอื้อเฟื้อโดยประการอื่น แขกเป็นคนสูงอายุหรือชั้นสามัญก็พึงต้อนรับให้เหมาะสมกับฐานะของแขกผู้มาถึงถิ่นการปฏิสันทานก็จะไม่เสียดูพอเหมาะพอดีดูเป็นสิ่งไม่น่าตื่นเต้นหรือว่าไม่จนทําให้เรางงงวยหรือว่าเซอ่อหรือจนเกินไปฉะนั้นการปฏิสันถานเนี่ยถือว่าเป็นการต้อนรับเอเพราะว่าการต้อนรับเป็นที่นิยมของชนทุกชั้น แม้โบราณบรณดิต ก, ก็นิยมนับถือว่าเป็นความดีความงามั้ำยังเป็นเครื่องสมานความสามัคคีรักษาไมาตรีจิตในระหว่างกันและกันให้มั่นคงยิ่งขึ้นถึงแม้ในปัจจุบันการปฏิสังพานธก็ยังไม่รับความนิยมว่าเป็นความดีไม่เสื่อมถอยเพราะย่อมอำนวยผลให้แก่เจ้าของถิ่นอย่างน้อยก็ได้รับความนับถือจากแขกผู้มาเยือนบางคนก็ เรียกว่าไปแล้วยังคิดถึงยังส่งของขวัญยังฝากของกินของใช้อะไรมาให้เนี่ยเพราะครั้งหนึ่ง เ, เขาเคยต้อนรับเราดีช่วยเหลือเร า, เาทํานองอย่างนั้นนี่แหละฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญไปถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครอยากจะฝากของอะไรมาให้ถ้าจะฝากก็อาจจะเป็นอก้อนอิดนะหรือเป็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขารู้สึกว่ามาทั้งทีไม่ต้อนรับเลยนี่ บางคนก็หน้าไม่รับแขกตัวกด้วยหน้าไม่รับแขกเฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญขอให้พวกเราจงจงปฏิสังขานกันตามฐานะเขาเป็นคารวะเป็นผู้มียศมีศักดสูงอย่างไรหรือเป็นพระสงฆ์องค์เนรมีฐานะเป็นอย่างไรเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระครูเป็นอุปัชาหรือว่าเป็นเจ้าคุณ ไอ้ น, นี้เราต้องต้องดูฐานะแล้วก็ต้อนรับให้เหมาะสมเราก็จะได้รับคําชมเชยแล้วก็ยังเป็นเครื่องสมานไมตรีอาจจะนํามาซึ่งลาบยศสุกสันสนในภายหน้าก็ได้ทีนี้ถ้าจะมีคําถามว่าการปฏิสันถานต้อนรับแขกด้วยอมิตรบ้างด้วยธรรมบ้างเมื่อทําไปแล้วจะได้รับผลอย่างเดียวหรือว่า ผลร้ายก็มีบ้างอันนี้ตอบได้เลยว่าการปฏิสันฐานที่เรียกว่าต้อนรับแขกนั้นผู้ที่อารู้จักการละเทศะฉลาดในการต้อนรับจ้องได้รับผลดีเสมอแต่ถ้าไม่ฉลาดในการปฏิสันฐานแล้วผลร้ายก็มีเหมือนกันตัวอย่างเช่นพวกศักะเจ้าศักระทรงต้อนรับจ่าใสกับวิทูลับพระ ก, กุมาร วิถุนดับพระ ก, กุมารอันนี้ถ้าใครเรียนธรรมบทอผู้เวียนบาลีก็จะทราบนะพระราชโอรสของพระเจ้าประเสเสนทิโกสนที่พระ ก, กุมารเข้าพระไทยไปว่าเป็นการหมิ่นประมาทจนยกขึ้นเป็นสาเหตุเจ็บแขนพอได้ครองบวงงาจฉสมบัติก็ยกพวกเสนาพวกพวกทหารไปกราบจักยะชนบทที่อยู่ใต้อำนาจเป็นการ ลบลาฆ่าฟันกันตายกันเป็นจํานวนมากหรือว่าเป็นศึกสายเลือดไงเป็นศึกสายเลือดทั้งนี้เพราะว่าพวกสัจยราชไม่ทรงฉลาดในวิธีทําการปฏิสันฐานการควรจะให้คุณก็กลับเป็นให้โทษแก่ผู้ทำํำฉะนั้นการปฏิสันฐานต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าการอย่างไรควรอย่างไรไม่ควรนะนะฉะนั้น จึงบอกว่าการปฏิสัณฐานนี้ถ้าดีก็มีประโยชน์ถ้าไม่ดีก็มีโทษนะมีโทษทีนี้การปฏิสัณฐานนี่มีคุณดีอย่างไรท่านจึงสอนให้เขารบในปฏิสัณฐานอันนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีคุณดีอย่างดอย่างยิ่งคือปฏิสัณฐานเป็นเครื่องระ ง, งับร้ายให้กลายเป็นดี เคยมีโจรไปปล้นบ้านคนหนึ่งนะได้ยินเขาเล่ามาว่ามีโจรไปปล้นบ้านแฟ่ยเจ้าของบ้านบอกว่าเอาเถอะจะปล้นก็ไม่ว่าหรอกแต่ก่อนที่จะปล้นนั้นขอให้ได้ทําอาหารเลี้ยงสักนู้เถอะแฟ่ยเจ้กไม่กล้องเดี๋ยวจะปล้นเดียวนี้แหนละแฟ่นะยเจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวทน่ายใจเย็นๆไม่ต้องกลัวอยากได้อะไรเอาไปเลยโจรก็เลยตกลงเจ้าของบ้านก็ ขงข้าวแกงส้มแกงไก่แม่ผัดพอดอย่างดีแม่รู้สึกว่าข้าวร้นรอนๆนะไก่ร้อนๆต้มยำร้อนๆเสร็จเรียบร้อยยกออกมาเลี้ยงจมพวกโจรโอ้โหพอเห็นเขากำลายนายสอเลยงนำย่อยออกมาเสร็จแล้วก็กินกันอย่างอินหนี้ที่มันกินเสร็จแล้วรู้สึกว่าแม่ชักง่วงนอนอินแล้วชักง่วงนอนไม่อยากจะบล้มเลยไอเงินท้อไอม่เห็นมีค่า อีกอย่างหนึ่งก็ถุงบุญคุณของเจ้าของบ้านไม้ไอเราจะมารดน้ำดำมาเลี้ยงอาหารจะได้นี่ไอเราไม่ต้องการลาบอย่างนี้ดังเอาลาบอย่างนี้มาเข้าฝ่าเข้าท้องซะก่อนเอาไม่คิดอยากร่นเลยนี่เห็นมไหมนี่พอเรื่องการต้นนะจริงๆฉะนั้นยิ่งบอกว่าการปฏิสันฐานเป็นสิ่งที่ระงับสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีเป็นเครื่องมือสำหรับอาภรณ์พภัยของหมูที่มีกําลังน้อย แต่อยู่ใกล้ชิดติดกับหมู่ที่มีกำลังมากบุคภาศิตย์ว่าอะสาทุสาธุนาชิเนพระจนคนชั่วด้วยความดียิ่งบรรดาชนผู้เป็นใหญ่เอาใจเอื้อเฟั้ในปฏิสันฐานผลก็จะไพศาลออกไปนาให้ประชุมชนทำให้ประชุมชนนับถือและเรื่องลือสึงเกียรติคุณอของผู้ที่ต้อนรับไปทั่วทุกสารทิศ ก็เป็นการผูกจิตผูกไมตรีก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนี่ก็เกี่ยวกับรุ่งป ฏ, ฏิสันฐานก็เป็นเพียงย่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะแสดงต่อไปเป็นในหัวข้อว่าปาริยสนาสองนะปาริยสนาสองก็คือหนึ่งอริยะปารเยสนาสแสวงหาอย่างเระนสรินสองอริยะปาริยสนาสแสวงหาอย่างไม่เระเสริน คำว่าไปเยสนาแปลว่าการสแสวงหาหมายเอาการสแสวงหาทั้งในทางอามิธทั้งในทางโลกในทางธรรมตั้งแต่การสแสวงหาชั้นต่ำตลอดจนถึงทั้งสูงเนีตลอดจนถึงชั้นสูงพวกเราก็สแสวงหาเหมือนกันคือสแสวงหาเหยื่อบินธบาตนะบินฑบาตตืนเช้าออกแล้วบางคนยังไม่ทำสว่างเลยออกแล้วนะ นี่เรีวกว่ากาแสวงหาเหมือนกันอท่านแสวงหานี้ท่านแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือหนึ่งอริยะสยเกษนาได้แก่การแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยอุบายที่ชอบไม่เป็นการเบียเดเบียนตนและผู้อื่นหมายเอาการดํารงชีพโดยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพตามทํานองครองธรรมเว้นจากการวิชฉาชีพคือ เลี้ยงชีพในทางที่ผิดมีการลักที่ร่มชกชิงวิ่งราวตลอดจนการแสวงหาคุณธรรมอันเป็นของไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นธรรมของสัตว์ปรุต์ตั้งแต่กัลยาณธรรมชั้นต่ำจนถึงภูมิธรรมชั้นสูงมีวินุเป็นที่สุดซึ่งเป็นการแสวงหาตามทางอันเปิดเตามทางของพระยาเจ้าเรียกว่า อ, าอริยสเยสนา ทุนเห็นว่าภาษาริบุตรและพรโมกขลานะแสวงหาโมกขธรรมเป็นตัวอย่างอณะเยสนาอณะอณอณาริยเปรย์เสนาแปลว่าการแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐถ้าอณาริยแปลว่าไม่ประเสริฐหรือว่าอริยะแปลว่าการแสวงหาอย่างพระอริยเจ้าอณาริยะคือการแสวงหา ไม่ใช่วิสัยของพระเย้เาได้แก่การแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพโดยอุบายอันไม่ชอบธรรมมีการหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตที่ล้นข่าเป็นต้นซึ่งเรียกว่ามิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตผิดทรงนองคลองธรรมนำความเดือดร้อนมาให้แก่บุตรของตนและผู้อื่นผู้สั้นๆก็ได้แก่การแสวงหาใน ทางอันทุจริตเช่นที่เราได้ยินได้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือหน้าหนังสือพิมพ์มีการจี้ตนล้นค่าชกจิ้งวิ่งราวค่าข่มคืนอะไรกันแทบทุกวันไม่ได้หยุดเป็นอย่างนี้เนะี่ยเรียกว่าอาริยะอนาริยะปริเยสนะผิดธรรมเนียมผิดประเพณีนะมีการค่ากันมีการนักของกันมีการประพฤติผิดประเวณีมีการค้าของ ผิดกฎไมายหรือพกยาเสพติดนี่อย่างนี้ถือว่าผิดแต่ถ้าเป็นที่สูก็ได้แก่การแสวงหาเลี้ยงชีพในทางอันไม่สมควรคือเป็นโลกวัชชะมีโทษทางโลกหรือเป็นปัณนนติวัชชะมีโทษทางพระบัญญัติจัดเป็นอนะปัณะ อ, อ, อริยะปรเยสนะในพรสูตแสดงว่าแสวงหาของมีชรา ของของที่แก่ที่เจ็บที่ตายเป็นธรรมเช่นหาของเล่นต่างๆเป็นอนัริยะเปเยสนะคือหมายความว่าที่เรายังแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้ยังแสวงหาของที่ไม่ประเสริฐเพราะยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าแสวงหาของประเสริฐนั้นจะต้องแสวงหาโมกธรรม คือสแสวงหาพรานิพพานนั่นเองฉะนั้นเกี่ยวกับร่วงไรเยสนาสองก็เป็นเพียง ย, ยอดยอดทีนี้ถ้าจะถามว่าพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเมื่อครั้งยังเป็นปรีพากชมีความเบื่อหน่ายจากคราวาทชักชวนออกบวชพื่วแสวงหาโมกขธรรม สัดเป็นปริเยสนาอะไรในปเยสนาสองก็ตอบได้เลยว่าจัดเป็นอริยะปริเยสนาเพราะการแสวงหาธรรมเครื่องค้นจากความแก่ความเกิดความความเกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นการแสวงหาอย่างประสบเมื่อแสวงหาจนประสบความปรารถนาบุตรสาลีบุตพระโลกภาณะทั้งสองนั้นแล้วไม่ต้องประสบทุก์ในวัฏสงสารอีกต่อไป เระถามว่าปเยศนาทั้งสองในพระสูตรท่านแสดงไว้อย่างไรถ้าถือตามในแห่งพระสูตรนั้นเช่นบุคคลผู้ประกอบอ า, อาชีพด้วยความอุตสาหะจนสู้อาบเหงื่อต่างน้ำทำโดยสุดเสด็หวังเพื่อการแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวดังนี้จะจัดเข้าไปในปเยศนาข้อไหนในพระสูตรท่านแสดงว่าแสวงหา สภาพอันไม่ใช่ของมิชราพยาธิมรณะเป็นธรรมคื อ, อคุณธรรมมีพระนิพพานเป็นอย่างสูงเป็นอริยะเปเยสนาสแสวงหาของมิชราความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมเช่นหาของเล่นต่างๆเป็นอนอริยะเปเยสนาเมื่อถือตามในนี้การสแสวงหาทรัพย์โดยทางทุจริุจริต ทำมาหาเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวเช่นนี้ก็จัดเป็นอนุรยะประเยสนาเพราะสแสวงหาของอันมีความแก่ความเจ็บความตายหูทยถาถามว่าพวกเราที่พากันภาคเพียนเล่าเรียนศิลปะวิทยาด้วยมุ่งสแสวงหาเกียรติคุณเพื่อหนุนให้สะดวกในการสแสวงหาทรัพย์จัดนับเข้าในปรเยสนาข้อไหนจะถือเอาทำเป็นใหญ่ได้หรือไม่ อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่านับเข้าในอันอริยะปะเยสนาสแสวงหาอย่างประเสริฐจะถือว่าจับว่าถือธรรมเป็นใหญ่ยังไม่ได้เพราะมุ่งเกียรติคุณที่เรียกว่ามีโลกเป็นใหญ่และมุ่งความสบดวกแห่งอาชีอาชีพของตนในเมื่อได้ซับมาที่เรียกว่ามีตนเป็นใหญ่ต่อเมื่อมุ่งสแสวงหาวิชาความรู้ โดยเห็นสมควรเป็นส่วนพาหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้สดับตรับฟังหรือขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษามัง่งพาหุสัจจะที่ปราศจากโทษเพื่อเพื่อแพรประโยชน์ให้ยิ่งใหญ่ไพศาแลแม้การที่ได้ซรัก็อก็อสำหรับเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมและประกอบกรรมที่เป็นสุจริตถ้ากล่าวถึงมันบัิตก็ ต่อเมื่ออุตสาหะศึกษาเร่าเรียนพระธรรมวินยัยตั้งใจปฏิบัติธรรมจงได้นามว่าอถูอธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ทีนี้ถ้าจะถามว่าการสแสวงหาอย่างไรถือว่าเป็นการสแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าสแสวงหาเครื่องวงื่ชีพโดยโดยชอบทำไม่เป็นการเหยียดเยียนผู้อื่นอ่าขอประธานโทษ เขาถามว่าการแสวงหาอย่างไรเรียกว่าอริยะเปะเยสนาอย่างไรเรียกว่าอนะริยะเปะเยสนาอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าการแสวงหาเครื่องเงิชีพโดยชอบทำไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเรียกว่าอริยะเปะเยสนาถ้าแสวงหาแสวงหาในทางตรงกันข้ามเรียกว่าอนะริยะเปะเยสนาอีกในหนึ่งแสวงหาสภาพอันไม่ใช่ของมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรม คือคุณธรรมมีพระนิพพานอย่างสูงสุดเรียกว่าการสแสวงหาอย่างจะสดแสวงหาของมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมเช่นหาของเล่นเป็นต้นเรียกว่าอนาอรยะเปะเยชนาให้เงินเขากู้ถ้าเรียกบอกเบี้ยพอสมควรไม่ถึงให้เขาเดือดร้อนก็นับเป็นอริยะเปะเยชนาแต่ถ้าเรียกบอกเบี้ยเร่งนักเขาจนเกินสมควร คนทาให้เขาเดือดร้อนก็เป็นอนะเปยเยเสนาถ้าวินิจฉัยตามหลักให้เงินเขากู้นั้นเป็นอนระริยะประเยสนาเพราะเป็นการแสวงหาสิ่งอันมีความซุบซมแต่สลายไม่ยั่งยืนถาวรเป็นธรรมนะอันนี้เป็นธรรมอันนี้ก็มาเป็นเรื่องของประเยสนาสองก็พอเป็นแนวทางแล้วต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องปาพศสอง ในในหน้านี้จะพูดสามบทติดต่อกันไปปาพศสองก็คือหนึ่งธรรมะสองวินัยคำว่าปาพศได้แก่คำอันเป็นจรฐานหรือคำที่กล่าวก่อนหมายเอาคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามีสองอย่างคือหนึ่งธรรมะอัน พระธรรมนั้นหมายเอาข้อปฏิบัติทางใจเป็นทางนําความประพฤติปฏิบัติอัธยาศัยให้ประนีตขึ้นหมายเอาทมตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแต่ไม่เกี่ยวแก่ระเบียบวินัยที่ทรงได้ตั้งไว้เป็นพุทธบัญญัติเหมือน <c oughs> เหมือนสิกขาบทและอภิสมาจาร์แต่ทรงสั่งสอนให้รู้ให้เข้าใจ ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติถึงแม้ผู้ที่ล่วงละเมิดก็ไม่ได้กลับโทษไว้โดยฐานเป็นพุทธบัญญัติแต่เป็นการให้คุมให้โทษในตัวเองเช่นทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วในที่นี้พระธรรมจัดเป็นปิฎกคือหนวดแห่งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้สองประการประการที่หนึ่งเรียกว่าพระสุตตันต ป, ปิฎกว่าด้วยข้อปฏิบัติเบืบ้องต้น คือมีนิทานมีบุคคลมีเรื่องราวต่างๆเป็นธรรมะเบาใจส่วนพระอริยธรรมปิฎกเป็นข้อปฏิบัติอันยิ่งเป็นธรรมะชั้นสูงเป็นธรรมล้นนะเป็นธรรมล้นส่วนพระตุตธรรมปิฎกนั้นแสดงโดยปุกขาทิฏฐานนะมีนิทานมีบุคคลเป็นเรื่องเป็นราวคนมีศรัทธาได้รับประโยชน์อย่างไรนะคนมี วิริยะความเพียรมีอะไรสงอย่างไรคนมีสติคนมีสมาธิปัญญาได้รับประโยชน์อย่างไรส่วนอวิธรรมรูดกนั้นว่าเกี่ยวกับพวกจิตเจตสิกรูปนิพพานยกเป็นธรรมล้วนๆ น, นะเป็นธรรมล้วนๆอันนี้แหละเรียกว่าหมายถึงพระธรรมในปาพศในทศสองคือวินัยได้แก่ความปฏิบัติเนื่องด้วยระเบียบที่ทรงตั้งไว้เป็นพุทธานา มีการบังคับให้ปฏิบัติตามมีบทบัญญัติวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดหนักบ้างเบาบ้างตามสมควรแก่ความผิดทั้งเป็นคุณเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนำความประพุธิของคนต่างชั้นให้สม่ำเสมอกันเพราะคุณบุตรผู้มาบวชในพระพุทธศาสนามาจากตระกูลสูงบ้างต่ำบ้างมีพื้นเพไม่เหมือนกันมาแต่เดิมถ้าไม่มีระเบียบภายในเครื่องบริหารก็ไม่มีระเบียบภายในเรียบร้อย ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาทาความรื่นใสกับพุทธบริษัทได้ต่อเมื่อต่างคนต่างมาปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยพร้อมมาปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเหมือนกันแล้วหมูพ่พิสุสัมเนธก็จะเป็นหมู่ที่ดีที่งามทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อควา ม, วามรื่นใส แต่พระวินัยนั้นท่านจัดไว้เป็นสองประเภทคืออนาคาเยะวินัยคือวินัยของบรรพชิตกับอาคาเรยะวินัยวินยวันยของคลุหัพ <c oughs> พูดง่ายๆก็คือว่าจัดวินัยไว้สองอย่างคือวินัยของชาวบ้านกับวินัยของพระของชาวบ้านก็คือสินห้าสินแปดของพระก็คือสมณงก็คือสินสิบ ข, ของพระก็สองร้อยสิบเจ็ อย่างนี้แหละเป็นตาพุท <c> ธ <oughs> หมายถึงคำเป็นประธานคำเป็นใหญ่ <c oughs> ในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ถ้าจยาถามว่าพระธรรมกับพระวินัยต่างกันอย่างไรอันนี้ก็ได้พูดอธิบายไปแล้วก็ขอพู ด, ดย่อๆอย่างหนึ่งว่าพระธรรมคือข้อปฏิบัติไม่เนื่องด้วยระเบียบวินยัยพระพุทธ ตามจะประพฤติหรือไม่ประพฤติก็ตามไม่ผิดเป็นไม่ผิดตามพุทธบัญญัติแต่ว่าจะมีคุณและโทษอยู่ในตัวจะมีคุณและโทษอยู่ในตัวส่วนวินัยนั้นหมายถึงการปฏิบัติที่ว่า ด, ด้วยระเบียบ ว, วินัยที่ทรงได้วางไว้เป็นพุทธบัญญัติไม่ว่าไม่ประพฤติตามก็มีโทษและบางอย่างปฏิบัติไปก็มีโทษก็มีโทษฉะนั้น เมื่อปฏิบัติตามธรรมแล้วก็ย่อมจะได้รับไอ้สมคือทําให้เป็นผู้ประนีตขึ้นโดยลําดับมีจิตใจสูงมีคุณธรรมสูงประจําจิตใจก็จะทําให้ไม่ตกไปในที่ชั่วมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนผู้ที่ประพฤติตามพระธรรมวินยัยย่อมได้รับไอ้สมก็คือว่าทําให้หมู่คณะมีความประพฤติสม่าเสมอกันมีมาญาติอันดีมีระเบียบวินัยอันดี จะทําให้สังคมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตาพดสองมาก็พอสมควรกับเวลาฉะนั้นขอให้หนักเรีนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายได้โปรดทําความเข้าใจในตอนจบว่าในหน้านี้ได้บรรยายทำไว้สามบทด้วยกันคือหนึ่งปฏิสันฐานสองอามิตปฏิสันฐานธรรมปฏิสันฐาน สองะเยสนาสองอริยะปเยสนาอนริยะไเยสนาสามปาพศสองคือทมกับพระวินัยก็อพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความฝุกความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร